จุดที่มักเผลหรือเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพนานเรื่องที่1ความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นกระบวนธารมฝ่ายก่อทุกข์อาจเรียกชื่อตามองคธรรมที่เป็นตัวการสำคัญว่ากระบวนธารมฝ่ายอภิชาและตัณหาส่วนกระบวนธารมฝ่ายดับทุกข์ก็อาจเรียกชื่อตามองคธรรมที่สำคัญว่า กระบวนธารมฝ่ายวิ ช, ชาและวิมุตถ้าเรียกอย่างง่ายๆฝ่ายแรกคือไม่รู้จึงติดฝ่ายหลังเป็นพอรู้ก็หลุดในฝ่ายอาวิ ช, ชาตันหานั้นองค์ธรรมที่เป็นขั่วต่อซึ่งพาเข้าไปหรือนำไปสู่ชาติภพก็คืออุปาทานที่แปลว่าความถือมั่นความยึดมั่นหรือความยึดติดถือมั่นส่วนในฝ่ายวิ ช, ชาวิมุต องคธรรมที่เป็นขั้วต่อซึ่งพาออกไปหรือเป็นจุดแยกออกจากสังสารวัตได้แก่นิพพิทาแปลกันว่าความนายคือหมดใครหายอยากหรือหายติดองคธรรมสองฝายนี้มาจับคู่ตรงข้ามกันเป็นอุปาทานกับนิพพิทาอุปาทานเกิดจากอวิชชาที่ไม่รู้จักสิ่งนั้นๆตามสภาวะที่แท้จริงเปิดทางให้ตัณหาอยากได้ใครจะเอา มาครอบครองเสพสวยแล้วเอาตัวตนเข้าผูกพันถือมั่นถือหมายว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าอุปาทานส่วนนิพิธาเกิดจากความรู้เข้าใจสิ่งที่เคยยึดติดถือมั่นไว้นั้นตามสภาวะว่ามีข้อเสียข้อบกพร่องไม่ปลอดภัยอย่างไรอย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่น่าและไม่อาจจะเอาตัวเข้าไปผูกพันไว้แล้วเกิดความหน่ายหมดความเพลิดเพลินติดใจ อยากจะผลักออกไปเสียจะเห็นว่าอุปาทานเกิดสืบเนื่องมาจากอวิชชาความไม่รู้สภาวะส่วนนิพพิทาเกิดจากความรู้เข้าใจตามเป็นจริงซึ่งท่านมีสั์เฉพาะให้ว่ายถาภูตะยานัทสนายถาภูตะญานัทสนาเป็นความรู้คั่วต่อที่ตัดแยกยังไม่ใช่ความรู้ขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าวิมุตติยานัทนเป็นธรรมดาที่ว่า เมื่ อ, อยะถาปูตยายานทัศนะเกิดขึ้นแล้วนิพพิทาก็จะเกิดตามมาเองข้อที่พึงย้ำในที่นี้ก็คือการที่นิพพิทาจะเกิดขึ้นหรือการที่จะถอนทำลายอุปาทานได้นั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจคือเมื่อรู้เข้าใจสภาวะแล้วนิพพิทาก็เกิดเองอุปาทานก็หมดไปเองเป็นเรื่องของกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยหรือภาวะที่เป็นไปเองตามเหตุปัจจัยของมัน พุทธพจน์หนึ่งที่อ้างกันมากเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นคือสัพเพธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะแปลว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นหรือสิ่งทั้งปวงไม่อาจยึดมั่นไว้ได้อภินิเวสะเป็นไวพจน์หนึ่งของอุปาทานบางทีเราสอนกันว่าจงอย่ายึดมั่นถือมั่นหรือว่าอย่ายึดมั่นกันไปเลยหรือว่า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 แต่ยังเอาไม่ได้เขาประวักผวาวนวุ่นวายอยู่กับการที่จะเอาของนั้นเสียเวลาเสียการเสียงานมากต่อมามีคนที่เ้านับถือมาบอกว่าในหอนั้นไม่มีของมีค่าอะไรไม่น่าเอาและการที่เขาอยากได้อยากเอาพวงวนวุ่นวายอยู่นั้นไม่ดีเลยทำให้เกิดความเสียหายมากใจหนึ่งเขาอยากจะเชื่อคำบอกของคนที่นับถือและเขาก็เห็นด้วยว่า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 มากไปกลายเป็นพฤติกรรมวิปริตไปก็ได้นี้เป็นตอนที่หนึ่งต่อมาชายผู้นั้นมีโอกาสได้เห็นของที่อยู่ในหอและปรากฏว่าเป็นเพียงเศษผ้าเศษขยะจริงตามคำของคนที่เขานับถือเคยพูดไว้ไม่มีอะไรมีค่าควรเอาเมื่อเขารู้แน่ประจักษ์กับตัวอย่างนี้แล้วเขาจะหมดความอยากได้ทันทีใจจะไม่เกาะเกี่ยว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 พร้อมที่จะมองจะคิดจะทำการอื่นๆได้อย่างเต็มที่สื่อไปนี้เป็นตอนที่สองความเทียบเคียงในตอนที่หนึ่งเปรียบได้กับพฤติกรรมของปุถุชนผู้ยังมีความอยากและความยึดอยู่ด้วยตันหาอุปาทานเขาได้รับคำสั่งสอนทางธรรมว่าสิ่งทั้งหลายที่อยากได้มั่นหมายยึดเอานั้นมีสภาวะแท้จริงที่ไม่น่าอยากไม่น่ายึดและความอยากความยึดถือก็มีโทษมากมาย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 ชีวิตคนเป็นเพียงขันห้ามาประกอบกันเข้าไม่มีอะไรจะพึงยึดถือไม่มีนายกอไม่มีนางขอเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะฆ่าจะฟันใครก็ไม่มีบาปดังนี้เป็นต้นนี้คือตัวอย่างของการที่ผู้มีกิเลสยกเอาสภาวธรรมขึ้นมาเป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นของตนถ้าไม่มีความยึดมั่นในคนที่จะถูกฆ่า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 ชายผู้อยากได้ห่อของที่เขาเชื่อว่ามีของมีค่านั้นเมื่อคนที่เขานับถือบอกเขาว่าในห่อนั้นไม่มีของมีค่าอะไรมีแต่เศษผ้าเศษขยะไละได้ชี้แจงเหตุผลเล่าถึงความเป็นมาของห่อของนั้นว่า mm. เขาได้เห็นของตั้งแต่ก่อนเอาเข้าหอ่อตลอดถึงว่าห่อของนั้นมาอยู่ที่นั่นได้อย่างไรด้วยเหตุผลหรือความประสงค์อะไร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 ว่าจะประมาทไปทำไมแต่ก็บังคับไม่ให้ประมาทไม่ได้หรือคนคลาดแม้อยู่ในที่ปลอดภัยตนเองก็มองเห็นตามเหตุผลว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวและก็คิดว่าหรือตั้งใจว่าถึงมีอะไรก็จะไม่กลัวแต่พอได้ยินเสียงเสือร้องหรือเสียงสัญญาณภัยก็สะดุง้งหรือสั่นสะท้านหรือตัวเย็นวาบบังคับตัวเองไม่ได้ภาวะเช่นนี้ ไม่ใช่จะถอนได้เพียงด้วยความคิดตามเหตุผลแต่จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความเข้าถึง